สามะเนียนผีสัมผัสสยองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปหกซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่พอดี ผมจึงได้ไปบวชสามเณรฤดูร้อนที่วัดไกลบานตำบลฟากห้วยอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วซึ่งวัดที่ผมไปบวชขึ้นชื่อเรื่องของเขเมรและผีต่างๆจนถึงวันที่ผมจะต้องเข้าไปที่วัดโกนผมทำพิธีบวชสามเณรเสร็จแล้วก็รับบาตรนำสิ่งของมีค่าไปเก็บไว้ที่ที่ลับแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นก็เตรียมที่นอนผมสังเกตเห็นว่าเนนแต่ละรูปจะปูที่นอนอยู่ชิดติดกันทางทังที้ห้องนี้ก็กว้างอยู่พอสมควรแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรจึงปูที่นอนห่างจากเนนรูปอื่นๆเพราะเห็นว่ามีที่ว่างเหลืออยู่เยอะเมื่อทำทุกอย่างเสร็จก็ไปนั่งเล่นที่ศาลาวิปัสสนาซึ่งที่นั่น จะมีสามเณรอยู่รวมกันศาลาหลังนี้ไม่ใหญ่มากนักและอยู่ติดคลองบรรยากาศร่มรื่นดีเลยทีเดียวส่วนพระที่เหลือส่วนใหญ่จะอยู่ที่โบสถ์หรือไม่ก็เเมนเผาศพผมเดินเล่นบนศาลาสำรวจไปเรื่อยๆก็เห็นว่าบนศาลานั้นจะมีห้องเก็บกุมารและน้ามันปลุกเสกด้วยห้องถัดมา จะเป็นห้องหลวงนาถัดมาก็มีที่นอนของหลวงปู่เอาไว้นอนพักที่ตรงนั้นจะมีกระดูกศพคนโบราณมีเชือกของคนผูกคอตายแล้วก็มีของอาคมหลายๆอย่างเยอะแยะไปหมดเพราะตกเย็นก็รวมตัวทำวัดเย็นหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ําห้องน้ําที่เนนใช้กันเป็นห้องน้าปูนปูด้วยกระเบื้อง มีอยู่หลายห้องสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งเพราะผนังด้านหลังหันชิดติดกันแต่มีอยู่ห้องหนึ่งที่มีประวัติว่าเคยมีคนขเขมรเข้ามาใช้ล่วลืนหัวฟาดพื้นตายช่วงแรกๆ ก, ก็มักจะมีคนเห็นวิญญาณออกมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นวิญญาณตนนั้นอีกแต่พอมีพระบวชใหม่ ก็มักจะโดนผีหลอกจนบางรูปไม่กล้าเข้าห้องน้ำไปอีกนานแต่วันนั้นผมไม่พบเจออะไรพอผมอาบน้ำเสร็จก็เดินขึ้นศาลาเพื่อเตรียมที่นอนแล้วตามสามเณรรูปอื่นๆไปที่ห้องหลวงนาะดูทีวีกันบ้างนอนเล่นกันบ้างพอตกดึกถึงกลับมาเข้านอนซึ่งบนศาลาจะเหลือเนนอยู่ไม่กี่รูป รวมทั้งผมด้วยเมื่อกลับมาถึงห้องผมก็ทิ้งตัวลงนอนเนนที่เหลือก็หันมามองหน้าผมทุกโกรแล้วก็ต่างหัวเราะผมก็งงสิครับแต่ไม่พูดอะไรหลังจากนั้นพวกเราก็เข้านอนกันตัวผมเองก็หลับไปได้วยความอ่อนเพลียมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนตีสี่เพราะเนนรูปอื่นๆ มาปลุกให้ไปบินธบาตจึงแยกย้ายกันไปอาบน้ำพออาบเสร็จก็ครองผ้าเตรียมบาทแล้วลงศาลาไปเดินจงกรมจากนั้นก็เดินออกไปบินธบาตกันพอรุ่งสางก็กลับเข้าวัดชันเช้าแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนด้วยความสนของผมจึงเดินไปนั่งเล่นกระดูกคนโบราณที่ศาลา สักผักสามเณรรูปหนึ่งก็เดินเข้ามาเห็นจึงบอกว่าเฮ้ยไอ้บ้าทำอะไรอยู่นะ่ะหยุดเลยนะผมหันไปแล้วทำหน้างงจากนั้นสามเณรคนนั้นจึงเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อปีก่อนเวลาไกลคำํำมีเนรคนหนึ่งซึ่งมาบวชใหม่นั่งเล่นหัวกระโหลกแบบนี้แหละจับกรามขยับปาก พร้อมทำเสียงเฮ่ๆฮฮสักพักก็มีเสียงวิ่งบนหลังคาแล้วเสียงนั้นก็ตกลงมาข้างล่างตบุบสามเณรทุกรูปเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็มีเงาดำรูปร่างใหญ่สายตาแดงก่่ำจ้องมองไปที่เนนคนนั้นตาเขมง่งก่อนที่จะวิ่งหายเข้าไปในป่าข้างคลองเมื่อผมได้ฟังสิ่งที่เนนเล่า ก็เลิกเล่นกระดูกนั้นทันทีแล้วก็เดินออกไปนั่งเล่นบนโซฟาที่นั่นมีโยมอยู่ซึ่งเป็นคนไรบ้านอาศัยอยู่ห้าคนโยมป้าเมื่อเห็นผมก็เดินเข้ามาคุยเล่นผมจึงถือโอกาสถามเรื่องผีกับแกแกก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนแกมาอยู่ใหม่ๆแกเห็นแสงอะไรไม่รู้ลอยมาตามลม ตอนนั้นแกแปลกใจก็เลยทักไปว่านั่นแสงอะไรนะ่ะยมลุงแฟนของแกที่อยู่ไกลๆก็รีบพูดขึ้นมาว่าอย่าไปทักแกจึงเงียบไปไม่พูดอะไรต่อแล้วคืนนั้นพวกเขาก็นอนหลับไปเช้ามายมลุงก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วไม่เห็นยมป้ายมลุงเดินหายมป้าอยู่ทั่ววัด แต่ก็ไม่เจอจนต้องจัดคนไปตามหาที่นอกวัดแล้วก็ไปเจอโยมป้าแก่จริงๆแกเดินอยู่ตรงตลาดที่อยู่ไกลวัดและมีท่าทางแปลกๆชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโยมป้าแก่เดินไปทั่วเลยเหมือนกับคนบ้ามีอาการเหมือนคนไม่รู้ตัวคนที่ไปตามหาจึงพาตัวกลับมาให้หลวงปู่ เมื่อหลวงปู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจึงพาตัวโยมป้ามาหาโยมลุงก็เล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้หลวงปู่ฟังเมื่อหลวงปู่ได้ฟังจึงบอกว่าอาจจะโดนของเข้าให้แล้วจะต้องทำพิธีแก้หลวงปู่ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการทาพิธีสักพักโยมป้าก็รู้สึกตัว กลับมาเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมแล้วหลวงปู่ก็เอ่ยขึ้นว่าเอ็งเกือบแก้ผ้าเดินรอบตลาดแล้วไงนี่ยังถือว่าโชคดีนะทีหลังถ้าเจออะไรอีกก็อย่าไปทักเพราะบางทีมันอาจจะเป็นของที่พวกเล่นของมันปล่อยออกมาพอโยมป้าเล่าให้ผมฟังจบแกก็ไปทำธุระของแกต่อตกเย็น ก่อนที่จะไปทําวัดผมก็เดินไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าปวดหนักซึ่งห้องน้ําด้านที่ผมเข้าไปนั้นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องที่เคยมีประวัติคนขเมเรลื่นหัวฟาดพื้นตายแต่ตอนนั้นผมไม่ทันได้คิดอะไรหรอกสักพักผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกลห้องน้ําที่ผมเข้าและมีเสียงพูดคุยเหมือนคนกระซิบกัน แล้วเสียงนั้นก็เงียบไปขณะที่ผมกำลังปลดทุกข์อยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองมาจากด้านหลังผมเลยหันไปดูก็เห็นใบหน้าคนที่เขียวช้ำเลือดและมีเลือดไหลออกมาจากหัวใบหน้านั้นกำลังจ้องมองผมอยู่ผมตกใจมากทำอะไรไม่ถูกปวดท้องก็ปวดยังจะมาถูกผีหลอกอีก จึงหันหน้ากลับมามือคว้าขันน้ำได้ก็ตักสาดไปที่ใบหน้านั้นพร้อมกับด่าไปด้วยจากนั้นก็รีบล้างก้นอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมจะวิ่งออกจากห้องน้ำผมปลดกรอนที่ล็อกประตูห้องน้ำแล้วก็ดึงประตูแต่ปรากฏว่ามันเปิดไม่ออกเหมือนกับมีคนดึงเอาไว้ผมยื้อกันอยู่พักหนึ่งด้วยความกลัว และตกใจสุดขีดจึงกระชากประตูสุดแรงเกิดจนประตูนั้นเปิดออกมาแล้วผมก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะมีเนนสองดูยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำแล้วยิ้มให้เนนคนหนึ่งชื่อเนนมิกก็พูดกับผมว่าไอ้แชมปแรงมึงนี่เยอะจริงกูสองคนยังเอาไม่อยู่ผมก็เลยบอกไปว่า กูเจอผีในห้องน้ำจะหนีก็เปิดประตูไม่ออกนึกว่ามีผีอีกตัวอยู่หน้าห้องน้ำไอ้บ้าเล่นเอาส ก, กูตกใจหมดหลังจากนั้นพวกเนนต่างก็เอาเรื่องนี้ไปคุยฮือฮากันใหญ่แล้วในคืนเดียวกันนั้นเองขณะที่พวกเนอนนอนกันหมดแล้วลับผมกำลังเคลิ้มหลับจู่ๆก็รู้สึกหนาวขึ้นมาจึงลืมตามองอย่างสลืมสลือ ก็มองเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมมองเห็นไม่ชัดนักร่างนั้นเหมือนกับกําลังยืนรอมรอบตัวผมอยู่แล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่ามึงมานอนที่กูทำไมผมสะดุ้งตกใจกระโดดออกจากมุงไปอยู่ข้างๆที่นอนของเนนมิกพอไม่เห็นเธอคนนั้นแล้วผมก็กลับไปหยิบหมอนและผ้าหม่มเอามานอนข้างๆมุงของเนนมิก เช้ามาผมก็เล่าเรื่องนี้ให้เนนรูปอื่นๆฟังแล้วผมก็โดนแซวว่าโดนผีหลอกถึงสองครั้งจากนั้นพวกเนนก็เล่าเรื่องให้ผมฟังว่าที่ที่ผมนอนนั้นเคยมีคนที่อยู่วัดนี้ป่วยเป็นอะไรสักอย่างเธอมารักษาตัวกับพระอาจารย์แล้วก็เสียชีวิตที่ตรงนั้นวันนั้นผมก็ย้ายที่นอน ไปนอนใกล้ๆกับพวกเนรูปอื่นๆและไม่ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวในเวลาใกล้ค่มอีกหลังจากนั้นสามวันต่อมาผมก็ลาศึกแล้วก็กลับบ้านเลย หัดสิยอง